Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเดือนสิงหาคมก็เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถแม่หลวงผู้มีพระคุณต่อพระสงนิกรชาวไทยทั้งประเทศในขณะเดียวกันก็เตือนให้ลูกๆทุกคน ได้ระลึกถึงแม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยเช้าวันนี้ดิฉันจึงใคร่ก่อนนำเสนอเรื่องราวอันมีคุณค่าที่หาฟังได้ยากทีเดียว mm. เกี่ยวกับพระคุณแม่ของพันเอกพิเศษทองคำสีโยทินอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพ บ, บกในโอกาสที่ท่านได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม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 อยากจะกราบที่เท้าท่านมีจิตใจที่เคารพเทิดทูนขณะนี้จิตลูกกำลังเกิดความกตัญญูในฐานะของผู้ปฏิบัติธรรมเราลองเอาพ่อกับแม่มาขึ้นตาช่างดูช่างด้วยหัวใจแล้วลองดูสิว่าใครมีบุญคุณต่อเรามากกว่ากันบางคนใจอยู่กับพ่อบางคนใจอยู่กับแม่ บางคนว่าเท่าเ่ากันพวกที่บอกว่าเท่าๆกันต่ช่างของคุณเที่ยงตรงแน่หรือกระทรวงยุติธรรมเขามีต่ช่างต่ช่างเขาเที่ยงตรงไม่เอียงใครที่บอกว่าพ่อกับแม่มีบุญคุณเท่ากันนี่ต่ช่างคุณเที่ยงตรงแน่หรือนักปรัชทางศาสนาเขียนโครงไว้บทหนึง่งประทับใจอาจารย์มาก อาจารย์จำได้ขึ้นใจพอบอกว่าคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาคุณบิดรนตุดอากาศว่างพระคุณของแม่นี่ทั้งหนาทั้งหนักเหมือนแผ่นดินทั้งแผ่นดินภูเขาทุกลูกตึกรามอาคารบ้านเรือนทะเลต้นไม้แม่น้ำล้วนตั้งอยู่บนแผ่นดินทั้งสิ้น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 วันนี้จิตใจเราสงบหัวใจมีธรรมะมีคุณธรรมเอาหัวใจของเราเป็นตาช่างที่เที่ยงตรงลองช่างน้าหนักดูว่ารางุณของพ่อกับแม่ใครหนักกว่ากันวิธีตัดสินง่ายๆอาจารย์ถามว่าเราอยู่ในท้องแม่คนละกี่เดือน9เดือนแล้วเราอยู่ในท้องพ่อกี่เดือนไม่ได้อยู่สักเดือน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 แม่อุ้มพาดบ่าเดินกล่อมเป็นชั่วโมงเอาครามินมาทาเอายา ม, มากวาดเอานมใส่ปากกลัวลูกปวดท้องกลัวลูกเจ็บคอกลัวลูกจะหิวหัวใจห้องที่สองกรุณาความสงสารเห็นอกเห็นใจยามหิวแม่เอาข้าวมาป้อนยามร้องไห้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 เขาเกิดสำนึกขึ้นในนาทีสุดท้ายแล้วจ่าหน้าซองเสร็จเอาเงินที่เหลือ300บาทและนาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์ฝากเจ้าหน้าที่ให้แม่แล้วก็เดินเข้าสู่หลักประหารพอประหารเสร็จก็เอามาใส่โรงรอญาติมารับถ้าไม่มีญาติมารับกรมราชธานเขาก็จัดการเองศพของข้าตรกออันตราพาหรือมหาโจรส่วนใหญ่คนที่ไปรับศพ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 ผมเติมน้ำมันมาให้เต็มถังเรียบร้อยเชิญอาจารย์ตามอธัธยาศัยก็เลยบอกกับสิบโทคนขับว่าบ่ายนี้ออกนอกโคาราชไปชมภูมิประเทศกันเขาก็ขั บ, บพาไปปักธงชัยไปถึงโนอนสีมงเย็นมีคนเอา ว, วัวมาเลี้ยงข้างถนนเป็นฝูงๆขับไปได้สักพักมีวัวฝูงหนึ่งกำลังข้ามถนนประมาณส0สิบตัวเดินเป็นแถวรถก็ไปไม่ได้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 ตัวใหญ่กว่าหมานิดเดียวมันจะเหลือหรือแม่วัวยืนขวางอยู่ไม่ยอมกระโดดคนขับรถขับจี้เข้าไปใกล้มันอีกอาจารย์เอามือตบหลังคนขับรถบอกว่าเบรกไม่ต้องเข้าไปใกล้นับถือน้ำใจมันแม่วัวมันรักลูกยอมตายแทนลูกยืนขวางรถยอมให้รถชน พอรถอาจารย์จอดแม่วัวมันหันมะค้อนทำตาโตๆเหมือนกับบอกว่าถ้าใจดำอมหิตนักก็เชอเลยสิแม่ตัวนี้จะยอมตายแทนลูกทับแม่ตัวนี้ให้ตายก่อนจึงค่อยเอาชีวิตลูกดูน้ำใจแม่ในนาทีนั้นมันชัดเจนอัญชนกชนณีเนี้อรักเจ้าเทียมเท่าชีวาก็ว่าได้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 ค่าทัศนศึกษาทุกอย่างเป็นภาวระของพ่อแม่ทั้งนั้นถึงเวลาเปิดเทอมลูกสาว ม, มาบอกว่าครูเผาทวงค่าเทอมแล้วแม่ต้องเอาค่าเทอมไปชำระแม่ไม่มีเงินถอดส่ยสร้อยออกจากคอให้ลูกไปจำนำไปขายเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมเพื่ อ, อนาโคตของลูกแม่ไม่เคยเสียดายมีหมอนวดคนหนึ่งอายุ60ปีระเวนนวดตามบ้านชั่วโมงละ60บาท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 ลูกใส่ชุดครุยปริญญาแม่กับลูกก็ยิ้มหน้าบานกันทั้งคู่แต่พอสังเกตดูดีๆแม่ยิ้มหน้าบานมากกว่าลูกเสียอีหน้าบานเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเพราะได้รูปดีคนที่มาแสดงความยินดีทั้งงานยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของหัวใจแม่ลูกบางคนบอนรับปริญญาบอกว่าแม่ไม่ต้องมาหรอกอายเพื่อนอายแฟนเพราะแม่เป็นชาวนาบ้านนอก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 ทันทีที่ได้ข่าวว่าลูกติดหวังชอกช้ำเจ็บปวดพอแม่ยิ่งเจ็บปวดกว่าลูกหลายร้อยเท่าขนาดลูกได้เงินเดือนเป็นหมื่นๆ น, นี่แหละขนาดบอกว่าสบายแล้วนี่แหละพอได้รับโทรศัพท์จากลูกบอกว่ากำลังจะคลอดลูกคนแรกรุงขึ้นแม่เบิกจากโนนเชียงรายมาหาลูกแม่รู้ว่าการคลอดลูกเนี่ยเสี่ยงต่อความตายแม่จึงรีบมา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 อาหารเสื้อผ้าเงินทองแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทให้เรานั้นลองประเมินออกมาเป็นตัวเลขซิว่ามันเป็นเท่าไรประมาณได้ไหมประมาณไม่ได้เพราะมันมากมายเกินกว่าจะประมาณจะตีค่าเป็นเงินเป็นทองตีให้สูงเท่าไรก็ไม่อาจทัดเทียมสมน้ำสมเนื้อกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ได้น้าใจของแม่ที่มีต่อลูกห่วงใย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 แม่สอนเราตั้งแต่แรกเกิดตอนเราเกิดแม่สอนอะไรสอนให้เราดูดนมเอานมใส่ปากและเอานิ้วค่อยๆเขี่ยที่ริมฝีปากดูดสิลูกดูดเราถึงรอดตายเพราะดูดนมเป็นน่งนอนยืนเดินพูดแม่คือผู้สอนให้เราทั้งนั้นดีไม่ดีถูกไม่ถูกควรทําไม่ควรทากิริยามารยาทความคิดความอ่าน